ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคีตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาโพธิสมภารคือการสั่งสมพระบารมีพระพุทธรคีตาจารย์ครั้งแสดงการพยากรที่พระโพธิสัตว ได้รับในสำนักของพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์มีพระพุทธเจ้าที่ปังกรเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงการบำเพ็ญโพธิสมภารให้บริบูรณ์ของพระโพธิกัตนั้นจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษนั้นร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นประชาชนระทมทุกข์ได้กระทำความการุณาในหมู่ชนเป็นนิดพระมหาบุรุษนั้นได้ทราบว่าวิธีนี้ เป็นอุบายปลดเปลื้องประชาชนนั้นเป็นผู้คงที่รับความผิดไว้ในตนในขาถานั้นคำว่าโสแปลว่านั้นคือพระมหาบุรุษนั้นผู้ได้รับพยากรแล้วอย่างนี้คำว่าดุขะขินนะชนะดัสนะดุขขินโนร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นประชาชนระทมทุกข์ มีอธิบายว่าร้อนใจคือได้รับความลำบากได้รับความสลดใจด้วยความทุกข์กล่าวคือมีกรุณาเกิดขึ้นเพราะเห็นประชาชนได้รับความลำบากเพราะความทุกข์จริงอย่างนั้นกรุณาความสงสารย่อมทําให้หทัยของสาธุชนหวั่นไหวในเมื่อผู้อื่นมีทุกข์กรุณาย่อมเบียดเบียนกําจัดความทุกข์ของผู้อื่น ในคำเหล่านั้นคำว่าทุกขังความทุกข์ได้แก่ทุกขเวทนาซึ่งมีสองประการคือทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางใจในทุกขเวทนาทั้งสองนั้นเวทนาที่เป็นไปทางกายชื่อว่ากายกิกะเวทนาทางกายนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ้างเวทนาที่เป็นไปทางใจชื่อว่ามานัสิกะหรือว่าเจตสิกะเวทนาทางใจนั้น เป็นโสมนัสบ้างก็คือดีใจเป็นโทมนัสบ้างก็คือเสียใจโทมนัสเวทนาเท่านั้นท่านกล่าวว่าทุกในที่นี้ก็ถามว่าเวทนาที่เป็นทางมโนทวารเท่านั้นเป็นทุกที่เป็นไปทางจักขุทวารเป็นต้นไม่เป็นทุกข์หรือข้าพเจ้าจะขอฉะเฉลยเวทนาที่สับยุทธ์ด้วยจักขุวิญ ญ, ญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณและชิวหาวิญญาณ พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสว่าเป็นอุเบขาเวทนาเท่านั้นก็การที่อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปกระทบกันนั้นท่านปล่าไว้เพราะอุปาทายรูปมีกําลังอ่อนแม้ในจักกุทวานนั้นจักกุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากก็มีจักกุวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากก็มีแม้ในโสตทวานเป็นต้นก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นภาษาที่สัมยุตด้วยจักคูวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากและที่เป็นอกุศลวิบากย่อมเป็นอุปนิสยปัจจัยแต่เวทนาที่เกิดพร้อมกันและแก่เวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นต่อๆไปพระบุคคลเห็นรูปที่น่าใคร่น่ากำหนดด้วยจักสุที่จักคูวิญญาณที่กุศลวิบากกำกับอยู่ความเสียใจอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้น เพไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาด้วยความยินดีในรูปนั้นหรือเพราะสูญเสียรูปที่ได้แล้วบุคคลผู้ถูกความโศกครอบงำย่อมถึงความพินาศแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเห็นรูปที่ดีที่น่าพอใจก็ทําให้เกิดโทมนัสได้เพราะว่าไม่ได้รูปนั้นมาครอบครองหรือว่ารูปนั้นเป็นอันจะต้องเสียหายไปของตนที่เสียหายไปก็ทําให้เกิดโทมนัสได้นะแต่ว่าในจกุญญานั้นเวทนาเป็นอุเบกขาอยู่แล้วแต่ว่ามโนทวารทางใจโชวนะ ก็สามารถเป็นโทมานั์ได้เมื่อบุคคลเห็นอารมณ์อั น, นากลัวมียักและเปร่เป็นต้นด้วยจัตุที่จัตุวิญญาณอันเป็นอากุศลนิบากกำกับอยู่แล้วกลัวย่อมมีความสิ้นชีวิตจิงอย่างนั้นแม้อุเบคาเวทนานี้ย่อมเป็นไปเสมอกันกันกบทุกขเวทนาก็อทุกขาตาบางอย่างย่อมไม่มีแก่อากุศลนิบาก เพราะฉะนั้นก็อุเบกขาในจกักกุญญ์ก็เป็นวัจจัยแก่ทุกโทมนัสทางใจได้นะทาให้ถึงกับสิ้นชีวิตเลยไปเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีน่ากลัวทำให้ตกใจตายก็ได้แม้ในโสตทวารเป็นต้นเมื่อบุคคลได้ยินเสียงสิงโตเป็นต้นได้ดมกลิ่นเหม็นได้ลิ้มรสเผ็ดย่อมมีโทมนัสเวทนานั่นเทียวในข้อนั้นจะมีโทมนัสเวทนาก็จริงถึงกระนั้น โทมานัสเวทนานั้นก็ย่อมเกี่ยวข้องกับฝ่ายเวทนาทางใจถามว่ารูปเป็นต้นจะประกาศเวทนาในจกันจกรคุทวาลเป็นต้นอย่างไรรูปเป็นต้นย่อมไม่สามารถจะ ก, กระทาความกำหนัดความขัดเขืองและความหลงในจกักรุทวาลเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยเปรียบเหมือนเมื่อรูปมาสู่ทางในจักุในจกักคุทวาลก็คือรูปมาสู่คลองในจกักรุทวาล น, นะ มรกระทบกับจกักรสาธรรมวัชนะและทัศนะก็คือปัญจทวารชนะกับจักรวิญญาณเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วอาวัชนะจิตย่อมเกิดขึ้นในมโนท ว, วารประกาศอารมณ์นั้นนั่นแหละฉันใดกายวิญยัตวจีวิญยัตความกำหนัดความขัดเคืองความหลงความกลัวความสะดุง้งความโศกความตรอมใจก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าโทมนัสเวทนาเกิดขึ้น แม้ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นเวทนาทางใจนั่นเองเป็นอันกล่าวดีแล้วทุกขเวทนาย่อมมีสองประการคือทุกขเวทนาทางกายและทุกขเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดความกลัวสะดุ้งความโศกตรอมใจหรือว่าการกระทําบุญบาปต่างๆมีการสังวรด้วยศียการให้ทานกุศลนั้นก็คำบทอันนี้ก็เป็นไ ป, นปนทางใจนะส่วนอารมณ์ที่ปรากฏทางปัญจทวารนั้นก็ เป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดความสุขความทุกข์ทางใจต่อมานั่นเองเพราะว่าอารมณ์ทางปัฏิทวานั้นเป็นปรมัตย์ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวหรือว่ามีความคิดในาการที่จะกระทําบาปกระทําบุญต่างๆเป็นกุศลอากุศลในชาวนะได้ด้วยอุปนิสัยปัจจัยเวทนาที่เป็นไปทางทวารทั้งสองอย่างนี้ย่อมมีหลายอย่างโดยความต่างแห่งอารมณ์คือชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ ทุกเพราะการฆ่าการเบียดเบียนกันในโลกเป็นต้นทุกอันมีการแสวงหาอาหารเป็นมูลทุกในนรกทุกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกในเปรตวิสัยสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าที่ตั้งของความสังเวชน้มีแปดอย่างสังเวควัตถุก็คือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้จุติความตาย ทุกในอบายวัตถุทุกในอดีตแล้วก็วัตถทุก์ในอนาคตทุกแห่งการแสวงหาอาหารในปัจจุบันด้วยก็ตรงรูปเป็นแปดอย่างนะก็คือชาติชราพยาธิมรณะสี่อย่างทุกในอบายเป็นที่ห้า ว, วัตถามูลทุกข์ในอดีตเป็นที่หกวัตถมูลทุกในอนาคตเป็นที่เจ็ดแล้วก็ทุกแห่งการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเป็นที่แปด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมนํามาพิจารณาเพราะเป็นปัจจัยเกิดความเพียรในการที่จะอบรมไตรศิกขาได้สังเวควัตถุนี้เป็นเหตุใกล้ของความเพียรก็พระมหาบุรุษนี้ตั้งแต่การที่เกิดเป็นตุเมธาด า, าบทได้เห็นมหาชนทั้งหลายผู้ตกลงในลมแห่งพบอย่างนี้แล้วร่างกายหักแหลกละเอียดถูกทุกใหญ่หลวงเสียบแทงเน็ดเหนื่อยเพราความร้อนแรงผู้ไม่มีที่ต้างทานไม่มีที่เร้น ไม่มีที่พึ่งแล้วหัวใจหวั่นไหวด้วยพระมหากรุณาอดกลั้นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกตัดมือเท้าหูและศีรษะเป็นต้นรวมทั้งจมูกด้วยที่หมู่ชนอันดพาลผู้มีโมหานั้นหยิบยื่นให้แก่ตนได้กระทําความการุณเท่านั้นเป็นนิดนิรันตลอดกาลนานมีได้คิดว่าประโยชน์อะไรกับคนเหล่านี้ เราพยายามอยู่ว่าจะปลดเรื่องคนเหล่านี้ออกจากวัฏฏุกแต่คนเหล่านี้พากันเบียดเบียนแต่เรามิได้กระทำแม้เพียงความเสียใจได้แต่มีความหวั่นไหวด้วยการุณาว่าโมหะช่างมีอนุภาพมากนะักตัณหาช่างมีพลังจริงนะเมื่อบุคคลเช่นเราพยายามจะปลดเรื่องสัพสัตว์ออกจากทุกอย่างนี้สัตว์เหล่านี้ก็กระทาความผิดอย่างนี้ ความทุกข์อย่างใหญ่หลวงซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจักมีแก่สัตว์เหล่านั้นก็มีแต่พระกรุณามากขึ้นนะว่าทําไมหนอพระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตมนี้กําลังจะหาทางเพื่อให้สัตว์พ้นจากทุกข์แต่ทําไมมาเบียดเบียนพระโพธิสัตย์อีกจะได้รับความทุกข์มากขึ้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีใจวันไหวด้วยความการุณาอย่างนี้แล้วก็สแสวงหาอุบายด้วยคิดว่าเราจะพึงยกสัตว์เหล่านี้ผู้หลงแล้วอย่างนี้ ผู้มีความอยากรุนแรงผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนขึ้นจากทุกข์และจากเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรได้เห็นอุบายแล้วอุบายอะไรก็คือขันติความอดทนพระมหาบุรุษนั้นทราบว่าขันติเท่านั้นเป็นอุบายตรวจเครื่องสัตว์เหล่านั้นจากเครื่องผูกแห่งภพเป็นผู้คงที่รับความผิดไว้ในตน บาทแห่งคาถาว่าตาดีป ร, ราทะมะปิอัตตนิโรปยีโสพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้คงที่รับความผิดไว้ในตนอธิบายว่าพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้คงที่มีใจไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมแปดรับความผิดนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนอีกอย่างหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นรับความผิดนั้นแม้เช่นนั้น คือความผิดเช่นนั้นที่พวกสัตว์นั้นๆกระทำแก่ตนด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นได้แก่พระมหาบุรุษรับความผิดของสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนกระทำความอดทนด้วยคิดว่าความทุกนี้เราได้รับแล้วเพราะกําลังแห่งบาปที่เรากระทำไว้ในการก่อนฉะนั้นทุกนี้จึงสมควรแก่เราแล้วได้ทราบว่าเราย่อมสามารถที่จะปลดเรื่องสัตว์เหล่านี้ แม้ถ้าเราจะประทุษร้ายผู้ที่ประทุษร้ายเราแม้เราก็จะพึงเป็นเช่นนั้นครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะมีอะไรที่ต่างกันเราจะปลดเรื่องสัตว์เหล่านั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะดำรงอยู่ในกำลังแห่งขันติซึ่งมีกำลังทั้งปวงเป็นมูลรับความผิดของสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนอดกลัน้นกระทำความอดทนอยู่บางเพญบารมีทั้งหลาย ด้วยมุ่งความเมตตาและความเอ็นดูเป็นพระพุทธเจ้าอาที่จะปลดเรื่องสัตว์ทั้งปวงออกจากทุกขและเหตุแห่งทุกข์พระพุทธรักขิตาจารย์เมื่อจะพนานากำลังแห่งขันติของพระมหาบุรุษนั้นอีกจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์เท่านั้นมิได้คํานึงถึงความทุกข์อะไรแม้จะมากยิ่งที่ชนผู้ปทุสร้ายยื่นให้ เพราะความที่ตนยังลงในตาครแห่งบา ร, รมีมิใช่น้อยมีฐานะบา ร, รมีเป็นต้นอธิบายแห่งคาถานั้นดังต่อไปนี้พระมหาบุตรแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่ทัดอย่างเดียวมิได้คำนึงถึงความทุกข์เหมือนความทุกข์แน้อย่างมหันที่ชนผู้ประทุตร้ายหยิบยื่นให้เพราะความที่พระองค์ยังลงคือดาลงในตาครแห่งบา ร, รมีอันสูงสุด มีฐานะบา ร, รมีอันหาประมาณไม่ได้เป็นต้นถามว่าท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังสระน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมในขณะอากาศร้อนในเวลาที่พระอาทิตย์เที่ยงวันดำลงในน้ำย่อมไม่รู้ว่ามีความร้อนจากดวงอาทิตย์ข้างบนเป็นต้นฉันใดพระมหาบุรุษนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นมีใจเยือกเย็นด้วยพระกรุณา สแสดงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่ทัตเท่านั้นเป็นผู้อย่างลงแล้วในสาครแห่งบารมีเพราะฉะนั้นแม้ความทุกข์อะไรๆเช่นนั้นที่ตั์ผู้มีบาททั้งหลายหยิบยื่นให้มิได้ปรากฏโดยความเป็นทุกข์เพราะพระมหาบุษมีพระองค์เยี่ยเย็นด้วยพระกรุณามีจิตบาปอะไรๆเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งความไม่อดทนเป็นมูลแห่งบาป ท, ทั้งปวงเพราะท่านกล่าวไว้ว่า เมื่อจิตบาปขอโทษนะครับเมื่อจิตบาปอะไรๆเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งความไม่อดทนเป็นมูลแห่งบาปทั้งปวงเพราะท่านกล่าวไว้ว่าความไม่อดทนย่อมเกิดในทวารของตนโดยประเภทที่ทำให้ความไม่รู้ความเกียดคร้านความทุศีลความหลงลืมสติความริษยาเกิดขึ้นตามมาความอดทนเป็นมูลแห่งบุญทั้งปวงสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งและว่าประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีพึงให้ขันติเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะพระศ า, ศ า, ศาสดาทรงพรรณนาไว้ว่าผู้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเราเรียกว่าครามพระพุทธรักิีตาจารย์จะแสดงว่าเมื่อขันติของพระมหาบุรุษนั้นสาเร็จได้ด้วยปณิธานนั่นเชียวจึงกล่าวว่า พระมหาบุรุษนั้นปัดตีตะของตนให้ทานย่างเนื้อของตนให้ทานสละร่างกายในคราวที่ตั้งปณิธานพระองค์จะปะทุตร้ายด้วยการเชื้อดเฉือนคนใจร้ายได้อย่างไรเนื้อความแห่งคาถานั้นปรากฏชัดแล้วบัดนี้พระพุทธรกิตาาจารย์เมื่อจะย้ำเนื้อความที่กล่าวแล้วจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษเมื่อสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ ต้องได้รับความทุกข์อันหาที่สุดมิได้ในหลายร้อยชาติรับศีลสมาธิและปัญญาจากพระพุทธเจ้าที่ปังกรรักษาจนจบลงด้วยดีนะักควงแห่งไม้โพของตนก็คือตัดรู้ที่ควรโพพฤกที่พุทธกยานะเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว ในคาถานั้นคำว่าปาเลศยาวสกโพท ะ, ะเลสุนิ t ารักษาจนจบลงด้วยดีนคกวงแห่งไม้โพของตนมีอธิบายว่าพระมาหาบรุษกระทาอภินิหารก็คือความปรารถนาอันใดที่แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วได้รับการพยากรณ์นั่งขาดสมาธิบนกองดอกไม้เมื่อจะกระทาการสมาทานบา ร, รมี ได้กระทาการสมาทานสิกขาคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันเป็นส่วนประกอบแห่งบารมีการกระทำอภินิหารนั้นจนถึงพระมหาบุรุษเอาชนะมารนันะคขวงแห่งไม้โพของพระองค์คือนโพที่บัลลังของพระองค์แล้วทรงกระทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามในยามทั้งสามแล้วบรรลุพระสัพพายุตยานพร้อมกับอรุณขึ้น เป็นอันยังกิษแห่งการยกพระองค์ขึ้นให้สำเร็จลงด้วยดีพระมหาบุรุษรักษาสิกขาสามอย่างตลอดสี่อสงไขยหนึ่งแสนกับพระผู้มีพระภาเจารงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆเพราะฉะนั้นอธิศีนอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาทีิพระองค์บำเพ็ญก็คือบา ร, รมีติษ์นั่นเองซึ่งก็จะแยกออกเป็นสามติทัตนะก็รวมอยู่ในเสียงสมาธิปัญญา พระพุทธรักษิตาาจารย์ครั้นพันนาขันติบา ร, รมีอันเป็นอุปการะแก่บา ร, รมีทั้งปวงอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งปวงไม่ขาดในแต่ละชาติจึงกล่าวว่าสุเมธาดาบทได้ประทำอภินิหารในการใดและพระเจ้าสีพีได้ให้พระนางมัสสีในการใดในระหว่างนี้ในหลายชาติ แม้ชาติหนึ่งของสุมเมธดาบทนั้นก็มิได้ถึงความไร้ประโยชน์ในระหว่างนั้นชาติมิใช่น้อยเลยแม้กว่าหยาดน้ำในมหาสมุทรบารมีที่บำเพ็ญแล้วไม่ขาดระยะจะนับประมาณอย่างไรหรือจะหาอุปมาได้ในที่ไหนบุรุษคนใดปลูกเม็ดมะม่วงอร่อยที่ข้างทางเพื่อมหาชนจะได้อาศัยร่มเงาและผลรับประทาน ในขณะต่อจากนั้นบุรุษนั้นยังไม่ได้บุญในร่มเงาและผลฉันใดในหนทางแห่งสังสารวัตรก็ฉันนั้นเหมือนกันในขณะที่พระโพธิสัตว์ปลูกตนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายต่อมาชนเหลา่ลาใดเหล่าใดนำทรัพย์อวัยวะหรือชีวิตของพระองค์ไปบุญก็สำเร็จแก่พระโพธิสัตว์นั้นในขณะนั้น ในกระดานเหล่านั้นในคำว่ายาดาในการใดเป็นต้นมีอธิบายว่าพระโพธิสัตว์นั้นสวยพระชาติเป็นตุเมทะดาบทได้กระทาอภินิหารคือได้กระทาความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแทบบาดมูลของพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรในการใดจากการนั้นได้สวยพระชาติเป็นจอมแห่งชาวสีพีคือสวยพระชาติเป็นพระเวสันดร ผู้เป็นพระราชาแห่งชาวสีพีทรงถือยอดแห่งบา ร, รมีบริจาคพระนางมัตตีเป็นทานที่ยิ่งกว่าทานแก่พราหมณ์เท้าส ก, กะแปลงในการใดคำว่าเอธันตเตในระหว่างนี้คือระหว่างสีอสงไขยหนึ่งแสนกับนี้คำว่าชาติตุในหลายชาติคือในชาติที่สวยพระชาติเป็นเทวดาสวยพระชาติเป็นพรหมสวยพระชาติเป็นมนุษย์ และสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคำว่ากินจิเปกาแม้ชาติหนึ่งมีอธิบายว่าชาติหนึ่งแม้น้อยคือในชาติเหล่านั้นแม้ชาติหนึ่งของพระมหาบุรุษนั้นมิได้ถึงความไร้ประโยชน์สักเล็กน้อยคือแม้มีประมาณน้อยได้แก่ถึงความเต็มเปี่ยมด้วยบารมีคือถึงแล้วด้วยอำนาจการบาเพ็ญบารมีคาว่ามหาสมุรเดในมหาสมุตร คือในทะเลใหญ่แห่งน้ําเข็มแม้ทั้งสี่คำว่าชะละบินดุโตปิแม้กว่าหยาดน้ําคือเมื่อจะนับจํานวนน้ําทั้งหมดแม้ทีละหยาดน้ําแม้กว่านั้นคําว่าตดันตเตเรในระหว่างนั้นคือในระหว่างการตั้งความปรารถนาจนถึงการให้กระดังมัสยีนั้นคําว่าชาติอนัปปกาวะ ชาติไม่ใช่น้อยเลยคือได้การเกิดหลายชาติทีเดียวจริงอย่างนั้นในกับหนึ่งชาติที่เกิดขึ้นท่านกล่าวว่านับไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าโดยกับหนึ่งกองกระดูกของบุคคลคนเดียวจะพึงมีกองเท่าภูเขาเมื่อชาติที่พระโพธิษัตว์เกิดในกับหนึ่งหนึ่งมีมิใช่น้อยอย่างนี้ ชาติที่พระโพธิสัตเกิดขึ้นในกับทั้งหลายที่กำหนดประมาณมิได้ในฐานะสี่ใครจะพึงสามารถวัดหรือว่านับหรือว่าอุปมาได้อธิบายว่าอุปมาแม้นี้ชื่อว่าอุปมาอะไรย่อมเป็นเหมือนกับว่ายากราวเลยเรื่องความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระมหาบุรุษนั้นผู้ได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้ว ในระหว่างในชาติสมพาน์อันกำหนดนับมิได้อย่างนี้แล้วเพิ่มความอุตสาหะซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นในกำเนิดสัตยเดาชานเป็นต้นอย่างนี้คือในการที่เกิดเป็นจำปะยะนาคราในการที่เกิดเป็นภูริตตภูริตตตะนาคราชในการที่เกิดเป็นพยาช้างฉัดรทันในการที่เกิดเป็นบัณฑิตกระต่ายสัตบัณฑิตได้บาเพ็ญบา ร, รมีด้วยการสละชีวิต แม้ที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้บำเพ็ญบา ร, รมีแล้วในแต่ละชาติในชาติทั้งหลายเป็นต้นว่าในการที่เกิดเป็นขันติวาทีดาบทในการที่เกิดเป็นธรรมปาลกุมารคำว่านิรันตรังปูริตะปารมีนังบา ร, รมีที่บำเพ็ญแล้วไม่ขาดระยะมีอธิบายว่าใครจะสามารถกาหนดประมาณบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญไม่ขาดระยะ ไม่คลาดแม้สักชาติเดียวอย่างนี้ได้อย่างไรหรือจะมีข้ออุปมาในที่ไหนเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวว่าโสสาคเรชรที่กังรุที่รังอาดาสิพระพธิสัตนั้นได้ให้โลหิตมากยิ่งกว่าน้ำในทะเลเป็นต้นด้วยคำนั้นแหลท่านได้กล่าวถึงลักษณะแห่งบุญนับร้อยไว้อีก คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บังเกิดด้วยบุญยสมภารในชาติสมภารอันหาประมาณไม่ได้อย่างนี้ก็จะพึงมีประมาณเท่าไรพระผู้มีพระภาคเจ้าน่าอัจจานักหนาพระผู้มีพระภาคเจ้าน่าประหลาดใจนักหนาพระผู้มีพระภาคเจ้าน่าแปลกใจนักหนาพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงคิดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงรู้เลย พระผู้มีพระพาเจ้าใครไม่พึงเปรียบเทียบได้เลยพระผู้มีพระพาเจ้าใครไม่พึงกล่าวได้เลยบุคคลใดไม่พึงเลื่อมใสในพระผู้มีพระพาเจ้าหรือไม่พึงเชื่อพระดำรัสของพระผู้มีพระพาเจ้านั้นบุคคลนั้นจะพึงเป็นสัตว์บาปเช่นไรกองแห่งอกุศลของบุคคลนั้นจะพึงมีประมาณเท่าไรนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีชาติแห่งคนฉลาด พึงบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพึงรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วบําเพ็ญการปฏิบัติให้บริบูรณ์พระพุทธรักษ์กาจารย์ครั้นแสดงภาวะที่กําหนดประมาณมิได้แห่งทะเลบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะนําข้ออุปมามารองรับเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าโยมัคพระปัตเส บุรุษคนใดที่ข้างทางก็คำละเป็นต้นในคำนั้นมีคำอธิบายว่าบุรุษผู้มีชาติแห่งคนฉลาดซึ่งกำลังเดินทางจากนครไปตุนครคิดว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้เดินทางไปทางน้นและทางนี้ที่ข้างทางใหญ่แห่งหนึ่งได้กินผลไม้อร่อยนั่งพักสบายบรรเทาความกระวนกระวายร่างกายที่ตรงนี้แล้วจึงค่อยไป แล้วนำเม็ดมะม่วงอร่อยมาปลูกด้วยความอนุเคราะห์มหาชนแล้วพึงกระทําโดยประกาศที่ต้นมะม่วงจะไม่พินาศไปและจะเจริญงอกงามคำว่าตัดสมิงคเนวะเตนะในขณะนั้นบุรุษนั้นมีอธิบายว่าบุรุษผู้ปลูกเมล็ดมะม่วงนั้นถึงจะไม่ได้บุญในการเข้าอาศัยร่มเงาและการรับประทานผลผลผลมะม่วงที่ต้นมะม่วงนั้น ก็ย่อมได้บุญในขณะที่ปลูกเม็ดปลูกเม็ดมเร็ดมะม่วงนั้นก็คือในขณะที่ปลูกยังไม่ได้อานิสง์ยังไม่ได้บุญในการที่จะได้รับประทานผลมะม่วงหรือว่าอยู่ในร่มเงาและว่ายังไม่โตทันทีแต่อย่างน้อยก็มีบุญในการปลูกแหละแต่ว่าอนาคตเมื่อมีคนเข้ามาใช้ร่มเงาเมื่อต้นมะม่วงโตแล้วแล้วก็ได้รับประทานผลอันนั้นก็จะเป็นบุญแก่ผู้ปลูกต่อต่อไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด ก็ย่อมได้รับบุญได้บุญในขณะที่ปลูกมเมล็ดมะม่วงนั้นคำว่าอุดทนังต่อจากนั้นก็คือหลังจากที่ปลูกย่อมได้บุญเพราะได้ชื่อเสียงในการที่ปลูกมะม่วงนั้นเชื่อมความว่าในเวลาที่ต้นมะม่วงเจริญงอกงามและในเวลาที่ผลิตผลแล้วย่อมได้บุญแล้วเพราะร่มเงาและผลที่ต้นมะม่วงนั้นมีคาอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้คือ ในการใดต้นมะม่วงนั้นเจริญงอกงามโตใหญ่กิ่งก้านสาขาสมบูรณ์มีผลอร่อยพวกมนุษย์ที่มาถึงกินผลมะม่วงแล้วนั่งนอนพักที่ร่มเงาอันร่มเย็นหายกระวนกระวายแล้วจึงไปในการนั้นใครจะพึงได้บุญนั้นไม่มีใครอื่นได้ผู้บุบรุษผู้ปลูกมเมล็ดมะม่วงนั้นนั่นแหละเป็นคนได้จะได้ในเวลาไหน บุรุษนั้นมาเก็บผลมะม่วงที่ต้นมะม่วงนั้นให้ทานหรือไม่ใช่เลยบุรุษผู้ปลูกเมล็ดมะม่วงนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายไปหรือจะกระทําอะไรก็ตามบุรุษนั้นย่อมได้บุญในขณะนั้นนั่นและพระอะไรพระบุญสําเร็จผลแล้วในขณะปลูกนั่นเองพระพุทธรคิตาจารย์ครั้นนําอุปมามาสแสดงอย่างนี้แล้วเมื่อจะเทียบเคียงข้ออุปมาณั้นจึงกล่าวว่า ตเตวะสังสาระประเทในหนทางแห่งสังสารวัตรก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้เป็นต้นคําว่าตเตวะฉันนั้นเหมือนกันคือเหมือนบุญจากการที่ประชาชนอาศัยร่มเงาและกินผลมะม่วงที่ต้นมะม่วงย่อมมีแก่บุรุษผู้ปลูกเม็ดมะม่วงในขณะที่ปลูกนั่นเองอีกอย่างหนึง่งที่ท่านกล่าวไว้ในการต้องอาบัติ เพราะสั่งในปาราชิกข้อมนุษย์สวิหะก็คือการฆ่ามนุษย์เป็นอบัติปา ร, ราชิกข้อที่สี่ของพิกษุของพิจุนีด้วยนะเพราะว่าเป็นอุปโตบัญญัติถ้าบุรุษที่พิกษุสั่งฆ่าเขาตายสถานเดียวก็คือตายแน่นอนไม่ผิดคำสั่งพิกษุผู้สั่งต้องปาราชิกในขณะสั่งนั่นแล ยังไม่ทันตายนะแต่ว่าต้องประราชิกแล้วเพราะว่าเขาจะต้องตายแน่นอนอีกห้าวันสิบวันปีหนึ่งหรือว่าสิบปียี่สิบปีแม้กระทั่งผู้ที่สั่งฆ่าเนี่ยตายไปแล้วแต่คนที่จะถูกฆ่ายังไม่ตายเนยนะเพราะว่าหลังจากนั้นอีกหกสิบปีถึงจะถูกฆ่าตายเนี่ยแต่ว่าภิกษุผู้สั่งก็เป็นประราชิชในขณะสั่งนั่นแหลฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสําหรับบุตรผู้ปลูกต้นมะม่วงถ้าต้นมะม่วงนั้นเจริญเติบโตมีอุปการะแก่พวกมนุษย์สถานเดียวแน่นอน บุุษผู้ปลูกเม็ดมะม่วงจ่อมได้บุญในขณะที่ตนปลูกมะม่วงเสร็จแล้วแม้พระพธิสัต์ก็เหมือนกันกระทธรรมสรีระของตนเป็นเมล็ดพืชแห่งพุทธแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรณ์มนุษย์พวกใดๆนำทรัพย์อวัยวะและชีวิตไปต่อจากขณะที่พระพธิสัต์ปลูกพืชแห่งพุทธนั่นแลบุญในการปลูกพืชแห่งพุทธนั้นสำเร็จแล้ว ในขณะอภินิหารของพระโพธิสัตว์นั้นคำว่าสังสารโรกในคำว่าสังสารปฐรมในหนทางแห่งสังสารวัฏนี้ได้แก่ความสืบต่อแห่งการเกิดขึ้นแห่งขันเป็นต้นที่ชื่อว่าปท ะ, ะเพราะเป็นไปไม่ตัดขาดสังสารนั้นในหนทางแห่งสังสารวัฏใหญ่นั้นคำว่าชนานังชนทั้งหลายได้แก่สัตว์ทั้งปวง คำ ว, ว่าหิตายะจักเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขคือเพื่อยังประโยชน์สุขอันเป็นโลกิยะและโลกุตระให้สําเร็จคําว่าอัตตาณพิโรปิตักคเนในขณะที่พระโพธิสัตว์ปลูกตนอธิบายว่าพระโพธิสัตว์ละนิพพานที่ตนจะพึงบรรลุในวันนั้นแลคิดว่า แม้เราก็พึงเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์นี้ยังความเร่าร้อนเพราะกิเลสของมหาชนให้ดับเป็นผู้ให้วิมุตติผลดุจบุรุดผู้ปลูกต้นไม้ให้ผลกระทำสรีระของตนปลูกเป็นพืชแห่งพุทธคือเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าเน่งพุทธทังกูลคือตั้งไวแต่งตั้งไวเมื่อแต่งตั้งไวได้กระทาอะไร พระโพธิสัตว์อธิษฐานว่ารัตว์อวัยวะหรือชีวิตของเราจงเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งปวงจนกว่าเราจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสัตว์เหล่านั้นจงกระทําตามที่ตนตรนัสถนัสัพย์อวัยวะและชีวิตทั้งหมดเราสละแล้วตั้งไว้เพื่อบําเพ็ญบารมีสามสิบทัศมีทานเป็นต้นให้บริบูรณ์ในขณะที่พระโพธิสัตว์ ปลูกตนเพื่อประโยชน์สุกแก่ชนทั้งหลายต่อไปอย่างนี้คำว่าสิทธังวะปุญญูปริตะะตะตัสมิงทานังคะชีวามิฮรันติเยเยต่อมาชนเหล่าใดเหล่าใดนำารัตย์อวัยวะหรือชีวิตไปบุญก็สำเร็จแก่พระโพธิสัตว์นั้นในขณะนั้นอธิบายว่าต่อมาคือต่อไป จำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุเมธาดาบทจนถึงเกิดเป็นพระเวสสันดรในระหว่างนี้มนุษย์พวกใดๆนำสัตว์อวัยวะหรือชีวิตของพระโพธิสัตว์นั้นไปตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาพระโพธิสัตว์ตายแล้วหรือยังเป็นอยู่บุญในการที่มีผู้นำสัตว์อวัยวะหรือชีวิตไปนั้นย่อมสำเร็จแล้วแก่พระโพธิสัตว์นั้นถามว่าสำเร็จในการใด ตอบว่าสำเร็จในขณะที่พระโพธิสัตว์ปลูกตนนั่นแลมีอธิบายอย่างไรมีอธิบายว่าพระโพธิสัตว์อธิษฐานว่าสรัตว์อวัยวะและชีวิตเราสลัมุ่งในทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาก็เป็นอันสลักขาดแล้วจนกว่าเราจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มนุษย์พวกใดๆปรารถนาสิ่งใดๆมนุษย์พวกนั้นๆจงนำสิ่งนั้นๆไปเราจักไม่ทำลายการสมาทานบารมีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแล้วก็สมาทานไว้ตั้งแต่เป็นสุเมธ า, ดาบดเสียสรงไขแสนกลับเพราะฉะนั้นก็ซับอาอยุวะชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บารมีติกทั้งนั้นเลย เพราะพระโพธิสัทนั้นอธิษฐานไว้อย่างนั้นแล้วในแต่ละชาติพวกโจรจะนำสิ่งของของพระโพธิสัทนั enfin> ้นไปก็ตามมนุษย์ทั้งหลายจะนำไปเพราะความคุ้นเคยกันก็ตามพวกทายาทจะนำไปก็ตามมนุษย์ทั้งหลายจะยกหรือว่าบังคับเอาไปก็ตามจะนำไปในเมื่อพระพริสัทเห็นอยู่ก็ตามจะนำไปในเมื่อพระโพธิสัทไม่เห็นก็ตามจะบอกให้รู้แล้วนาไปก็ตามจะไม่บอกให้รู้แล้วนาไปก็ตาม สิ่งของนั้นทั้งหมดย่อมเป็นบุญแก่พระโพธิสัต TN ั่นแลถามว่าบุญที่ไม่มีเจตนามีอยู่หรือตอบว่ามีอยู่คือไม่ใช่เจตนาในภายหลังเจตนานันคืออะไรล่ะก็ตอบว่าคือปันิธานะเจตนาเจตนาที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะเมื่อพระโพธิสัต t กระทำการอธิษฐานบารมีตามสภาวะตามความเป็นจริง ด้วยจิตอันเว้นจากโลภะเป็นต้นแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรมหาปัทพีได้หวันไหวหนึ่งมืนโลกธาตุทั้งสิ้นได้มีแสงสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกากฏปุพพนิมิตสามิสองประการพระโพธิสัตว์ได้เป็นเหมือนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นเพราะฉะนั้นพึงกำหนดเหตุที่พึงทราบคือพึงใคร่ครวญด้วยปัญญาว่าในระหว่างนี้ แม้ชาติหนึ่งที่จะได้ว่างเปล่าย่อมไม่มีทุกชาติล้วนได้สร้างประโยชน์คำว่าทนังซั์ในคำนี้ว่าทนังคะชีวามปิหารันติเยเยชนเหล่าใดเหล่าใดนำซั์อวัยวะหรือชีวิตไปได้แก่สวิญญาณกน้ากั้์ซัตซ์ที่มีวิญญาณมีช้างมา้าโคกระบือทาสีทาากุรพระยาเป็นต้นอวิญญาณกน้ั้น์ ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณมีนาสวนทองแท่งทองรูปประพันธ์เงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนแก้วลายแก้วทับทิมแก้วผลึกแก้วประพานรั์และข้าวเปลือกเป็นต้นหรือราชสมบัติที่บริบูรณ์ทั้งสิน้นการบริจาควัตถุภายนอกทั้งปวงชื่อว่าธานบารมีการบริจาคอวัยวะในร่างกายมีเนื้อเลือดมือเท้าหูและจมูกเป็นต้น ในร่างกายของตนชื่อว่าธานะอุป ป, ปาปรมีการบริจาคชีวิตชื่อว่าธานะปรมัถปารมีรแม้สินเป็นต้นก็เหมือนกันเมื่อสิ่งของภายนอกดังที่กล่าวหรือลาบเสียหายไปการรักษาศินเป็นต้นโดยไม่กล่าวมุสาวาและการลักสิ่งของของผู้อื่นเป็นต้นชื่อว่าศีลารมี การบาเพ็ญศีลเป็นต้นแม้เมื่อจะถูกตัดทำลายอวัยวะในร่างกายเช่นมือและเทา้าก็มีได้คำนึงถึงข้อนั้นชื่อว่าศีลอุป ป, ปารมีเป็นต้นการบำเพ็ญให้บริบูรณ์โดยไม่ทำลายศีลเป็นต้นแม้ในเมื่อชีวิตจะพินาศไปชื่อว่าศีลปรมัฏฐบารมีเป็นต้นในบารมีเหล่านั้นอัตภาพที่บำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัต์นับประมาณมีได้ ทานาบ ร, รมีของพระปริธสัตนั้นผู้ประทมการบริจาคชื่ อ, อผู้ประทมการบริจาคชีวิตชื่อว่าปรมัตถะบ ร, รมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในสะสะบัณฑชาดกอย่างนี้ว่าเราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สระร่างกายของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานะบ ร, รมีของเราต่อไปนี้ก็จะแสดงเรื่องของ บารมีซึ่งเป็นตัวอย่างในชาดกต่างๆบารมีทั้งสิบนะซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขวายท่านทั้งหลายได้ตัดทาปีติประโมทในคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพลิตต์แล้วก็สั่งสมอดยาศัยในการที่จะบำเพ็ญบารมีคล้อยตามพระโพลิตต์นะจงกระทั่งพระองค์ได้ตัดสู้เป็นผู้เจ้าของเราก็จงกระทั่งได้ตัดสู้เป็นสาวกก็คอยได้ตัดสู้พระอริยบุคคล เป็นพระสาวกขระธมรมสมุเจ้าในการไม่เนินช้าโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ